นั่งนอนหลับไปาจากความทุกข์ดินง้ำไฟลงมีสมมรภาพสามาคคีพอดีขึ้นกันกันแล้วก็ทำให้ร่างกายของบสุออ่อยู่สบายไม่ปวดหัวตัวร้อนเราเทียบมาในยเนีข้างนอกก็คือกลุ่มข้างนอกข้างในก็คือ ก, ก ล, ยอยลุมในกายจิตของเรานี้ มันดินมันนไปลมนีทราว่าลมมันมากน้ำมันน้อยอืมนะไปมันมากดินมันน้อยอะไรนี้ไม่สมดุลกันมันก็เรียกว่ามันจะเกิดปัญหาขึ้นมาทีเดียวนี่เดีอยวจมาคมทางนอกสมาคมทางในอาศัยความจะมาดีซิ่งกันด้วยกันอืมอันนี้รือมกัน ไอ้วความรู้สึ ก, กนึกคิดตัวเหมือนกันทารมีความพร้อมสมรุนบริบูรณ์เป็นสัมมาทิฏฐิขึ้นมาในใจเราเมื่อไรแล้วอันนั้นมันก็เป็นความสมบูรณ์ขึ้นมาในธรรมะความสงบมันเกิดขึ้นอย่างนี้เช mm hmm. ่นว่าเขาินทาเราเราขดเสียใจเขาส่งเสือเราเราก็ดีใจเนี่ย มเมื่อโยภเป็นอยู่เช่นนี้มันก็อยิ่งจะสุขยิ่งจะทุกข์ยิ่งจะความดีใจยิ่งจะความเสียใจอยู่ตลอดกาลอันนี้มันก็เป็นโลกย่อมก็วิ่งอยู่กับโลกตลอดเวลาเนี่ยวัดตักสงสารเป็นวัดตาวนีความสุขแล้วถูกหายไป ทุกข์ก็เกิดขึ้นมาตั้งอยู่เมื่อทุกข์ขึ้นมาตั้งอยู่แล้วสุขมันก็หายไปอเมื่อสุขหายไปแล้วทุกข์ก็เกิดขึ้นมาโยมก็จะไม่เป็นตัวของตัวอะไรตลอดเวลาโยมจะตกนรกอยู่บ้งางไปสวรรค์อยู่บ้างอืยู่อย่างนี้ตลอดเวลาไม่จบเลเมื่อใดมันจะจบ มันจบที่โยมมีความรู้ฉลาดมีปัญญาขึ้นไปกว่า น, นั้นอีกว่าสุขเดืกทุกอันนี้นะอันนี้จะเป็นโลกอันนี้มันเป็นอารมณ์ถ้าเรารู้อะมันเมื่ อ, อไรวไ่ไอ้สุขนี้มันต่อไม่แน่นอนทุกนี้มันก็ไม่แน่นอ น, น, ม, น, ม, น, น, อนมันเป็นอนิจจัง เป็นของในเที่ยงไม่คงจบคงว่าถ้าโยงเห็นสิน่งนี้เราเข้าไปยึดมันมันก็เป็นทุกข์เพราะมันเป็นที่เพราะมันเป็นทุกข์อันนั้นจเป็นอันาตาไม่ใช่ตัวตนเราเขาถ้าเราเห็นสิน่งนี้โยมก็จะบรรเทาบรรเทาความทุกข์ลงได้เพราะว่าวันนี้โยงจะได้ประสบทุกข์ นวานนี้โยมก่เคยประสบทุกข์หรือสุขปะปนกันมาอยู่นี้ก็คนคนเดียวนั่นเองอย่ายม่อาโยมรวมเรามาในรวมแตรวมกันทำงานรวมกันถ้าโยมเห็นว่าสุขแตะทุกข์นี่มันคนในส่วนมันมีราคาต่างกันทุขมีราคามากทุกข์มมีราคาเลยถ้าโยมเห็นเชนี่โยมกจะเป็นทุกข์มันกันจะถูกลูกสอนเขอยู่ด้วยไหมันมีทางสงบ พวกทั้งหลายเหล่านี้แหละจะมาพวนโยงให้โยงตักพิจารนามตักพิจารนาเช้นว่าน้ําแล้วไปตามน้ํำที่ท่านนะยังไม่ได้บ่ง ม, มันออกี่โยงก็เดินไปบางทีกกมันก็เจ็บบางทีมัน ก, ก็เจ็บมันก็โยงเนอืยมันก็รังพานกำลังพานอยูมันจะจิกอยู่นั่นแหละโยมจะรู้ที่แท้จริงก็จะก็เพราะอาการอย่างนี้น ยูบ้านอยูโ่โยมยมจะไปหาหมอดูววนี้อะไรอยู่ตรดูให้ถนัดตาดูให้ดีสักจะเห็นน้ำอยู่ตรงนั้นเอามุ่งเอาน้ำํำพาวน้ํานั่นออกเนี่ยไอพออราะความเจ็บปวดเช้นนั้นให้โยมพิจารณาจะไปทิงปวดจริงมันนี่คืออะไรแจะพอน้ํามันออกจะแล้วก็สบายใจนี่เพราะเหตุมันดับไปอืเมื่อไอเจ็บเจ็บปวด ออกแล้วความเจ็บปวดไอความเจ็บปวดคือขอนนั่นมันเป็นเองอันนี้ตัเหมือนกันฉันนัน้ถ้าเห็นว่าถ้าโยมเห็นว่าชุบ ก, กับทุเนี่ยมันมีราคาเท่ากันถ้าเป็นวัตถุภายนอกเอาจึ้มตาชั่งก็จะได้ว่าห้ากิโลเท่ากันอืนี่ยถ้าเห็นถ้าโยมเห็นจ น, นี้โยมก็จะได้ปล่อยว่า เข้าขั้นนั้นเข้าขั้นนี้มีทุกตัเชิญมาโยมก็จะเห็นเสมอว่ามไม่ทุกไปตามมันไม่ตื่นเต้นถ้าจูกตัวเชิญมาโยมกับพวกโยมก็ไม่ตื่นเต้นถ้าโยมไม่ตื่นเต้นไม่สื่นทงสองนี้ก็เท่ากับว่าราคาสินทางสองนี้มันเท่ากันมันเป็นโทษเสมอกัน มันเป็นโทษเสมอกันมันมีปัญหาเท่ากันอที่มาที่มาถามเราทุกวันทุกวันเพราะเพราะเห็น ท, นทนายอมเห็นทั้งสองอย่างนี้เท่าเท่ากันแล้วไอ้ความเห็นต้องโยอมก็ถูกต้องแล้วปัญญาตัญญาหลวงเช่นนั้นจะเป็นสัมมาสติไอความเห็นจะถูกต้องเมื่อถูกต้องแล้วโยมก็จะไม่เป็นเต้อจับความดีใจที่โยอมได้อะไรไรมา โยงจะไม่ตืนเต้นตับอารมณ์ที่ไม่ชอบใจที่โยมได้มาเนี้ยนะไอ้ความยึดมั่นถือมั่นมันก็พี่คลายออกมันก็ี่คลายหายออกเหมือนลถเหมือนรถเมื่อตะกูมันแน่นหนาอยู่มันก็วิ่งไปได้เมื่อยอมไปรื้อถอนมันจะตะกูมันเปลียวมันจะหายมันไปพังมันออกจ้ะมันก็หยุดออกรถมันก็วิ่งไปไม่ได้ โยมเนี้ยมีจังโถขังอตาในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไอ้ความยึดมั่นถือมันมันขี่คลายออกมันรถยิ่งไปไม่ได้ที่มันวิ่งไปได้เพราะมันแน่นหนาอยู่น็อตทุกทุกตัวมันแน่นหนาอยู่รถถึงวิ่งไปได้โยมแต่เป็นทุกนั้นก็เพราะอะไรแต่พรความยึดมั่นถือมันในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เพ้าโยมไม่รู้นั่นเนี่ยมันจึงให้โยมเป็นทุกอยู่ตลอดเวลาเหมือนกัรรถอยกเหนื่อยรถเหนื่อรถ เมื่อเมื่อน็อตทุกตัวมันยังแน่นหนาอยู่มัวิ่งไปไหนตามสบายเมื่อคลายนัอมันออกแล้วมันก็วิ่งไปไม่ได้ความยึดมั่นผิวมั่นของโยนก็จะที่คลายออกมันเท่ามีความทุ้งนั้นมันก็ไม่เกิดเหมือนรถมันวิ่งไปไม่ได้เพราะเราทําลายความชั่วเสียทําลายความไม่รู้ทําลายความหลงัเสียแล้วมันไม่เกิดถึงความรู้ออันนี้มันก็ถึงความทุ้งฟู ถึงที่สุดได้แต่ว่าไม่ถึงที่สุดก็ยอมให้รู้จักมันว่าอันนี้มันจริงอือยู่แล้วถ้าเมื่อถูกความวิท้าเมื่อไรยอมกว่าลึกนะเมื่อสื่อชวนจะนิสันเมื่อนั้นมิจะคอยจะดีใจเห็นโยอมกว่าลึกถ้ามีสติจำประัญญาอยู่ตลอดตามตลอดเวลายอมกว่าลได้ถ้าโยมไปมัวเล่นอยู่อันดีจระงจ้แต่ทุกเกิดขึ้นมาโยอมก็เป็นทุกเพราะสติยอมไม่มี ถไม่อยู่เหมือนกันก บ, บ้านของเรายงตัวนี้ไปไม่ปิดประตูไวุ้นักเข้าิ้่ารธมวนจมาธมยเอาฟองหมดทันนเพราะไม่อยู่ที่นั่นประตูเปิดอยู่ประตูก็ไม่ปิดเวองก็ไม่อยู่ด้วยเหมือนกักนแตเราที่ไม่มีสติมีสติอยู่กสติไปอย่างอื่นนั้นยงออกจากบ้านายง ก, ก็อยู่อยู่เจอ ย, อ ย, อ ย, ยงก็กอยู่ในบ้าน โยมไปอยู่ที่อื่นอันนี <and> BLANK, ้ดวงการสติโยมก็มีอยู่แต่โยมสติของโยมมาอยู่ในที่นี้เหมือนการโยมออกจากบ้านแต่โยมก็มีที่อยู่แต่โยมไปอยู่ที่โน้นแต่โยมอยู่ที่นี้อโมยมันขโมยของที่นี่แตโยมไม่อยู่โยมไปอยู่ที่อื่นสติของโยมก็มีอยู่ทุกทุกขณะแต่ว่าสติไปอยู่โน้นไปทํางานไปแห่งอื่ยไม่ทำที่นี่ ถ้าโยมทางอยู่ที่นี่บางมีความรู้สึกอยู่ mm hmm. เมื่อกระทบอารมณ์ขึ้นมันทอดใจโยมบริสุทธิ์พอเห็นบามันเป็นอนันตรจังอยากจะยึดมันถือมันมันเลยอ mm hmm. เมื่อประสบทุ๊บขึ้นมาโยมก็เห็นว่านี้มันเป็นอนตรจังทุกข์พังอันตาอยู่ที่นั่นจะแปลว่าโยมกําลังปฏิบัติธรรมะอยู่ที่นั่นพอโยมอยู่ที่นั่นโยมจะเห็นสุขเกิดที่นั่นเห็นทุกข์เกิดที่นั่นเห็นสุขมันดับไปในที่นั่น เห็นซุกมันดับไปในที่นั่นข้ายอมเข้าไปอยู่นั่นนั้นกันกระยอมยังข้อบ้านอยู่คนักจะมาจินตนาการไม่ไ้ขโมยจะมาขโมยของในบ้านไม่ได้ข้โยอมอยู่ที่นั่นทีนั้นผู้ประพฤติปฏิบัตินี่จึงมีสติความระลึกได้อยู่เสมอว่าในการยืนการเดินการ น, นั่งการ น, นอนของเราทํปดดาปณญยารู้ัวอยู่เสมอว่าบัดนี้เราทําอะไรอยู่ระลึกด้วยแล้วว่าบัดนี้เราทําอะไรอยู่ ถ้าเรามีความมั่นหมายในการยืนการเดินการนั่งการนอนของเราอยู่ในตลอดเวลาโยมก็จะมีหนทางที่จะปรรลุธรรมะที่จะถอนลูกสอนออกจากใจของโยมได้โยมจะมีโอกสาสขับตุนักตวนั่นออกหนีได้โยมก็จะมีโอกสาสไร่โดนเจนมาสมุ ข, มของเงินได้เพราะโยมอยู่ที่นั่น อันนี้โอกาสโยงโอกาสโยงที่ไม่เสียของค น, นจะสูนมีสิไม่เดือดรอนอันนี้บอกฉัานใดกันนะการ ร, าารักษาจิตการตามดูจิตการประทองจิตการ ม, มีสัญญารักษาจิตของตัวนี้ตัว อ, อย่างนั้นเหมือนการนีน่ฉันจรงจะรู้อารมณ์อการเราจดจ่ออยู่อย่างนั้นดูอยู่อย่างนั้นน่ยเรียกว่าการภาวนาจริงๆเนี้ยการปฏิบัติธรรมอยู่เลยค รู้อยู่เห็นอยู่ทุกขณะอันนั้นโยมจะทำงานอยู่โยมก็รู้จักจะเดินไปโยงก็รู้จักจะนั่งอยู่โยมก็รู้จักจะนอนอยู่โยมก็รู้จักเพราะโยมมีวิ ร, ยริยธรรมชะปารกความเพียรอยู่เสนีตาเห็นรูปเข้าแล้วมันเกิดความรู้สึกอย่างใดหูฟังเสียงแล้วมันเกิดวางรู้สึกอย่างได จะมูกล้มปีนแล้วมันมีความรู้สึกอย่างไรลิ้มบีมโดแล้วมันมีความรู้สึกอย่างไรคนถ้พธธาพสูบท่องทั้งตายเกิดขึ้นมาแล้วมีความรู้สึกอย่างไดอารมณ์เกิดขึ้นกับใจแล้วมีความรู้สึกไปอย่างไงาะโยมจะรู้จักตอนนโยมนั่งเยเยก็อยู่นี้ตาหูจมูกจิูกตาจิตก็อยู่พร้องกันอย่างนี้อืมถ้าถ้าโยมรู้ตัวโยมอยู่นะ โยมก็บะบำเียนอยู่ที่นี่โยมก็จะปฏิบัติอยู่ที่นี่โยมก ah e ็จะรู้อยู่ที่นี่โยมก็จะเห็นอยู่ที่นี่ถ้าโยมมีสติสัมปชัญญะตามรู้นี้อยู่โยมก็จะงงอย่างนี้หลงอยู่างนี้ไม่ถูกทางอย่างนี้วุ่นวายอย่างนี้เพราะนั้นการปฏิบัตินี้อย่าว่าปฏิบัติทำเนี่ถ้าโยมเห็นจุกวันจุกวันพยายามเห็นเรื่อยไปในจิต เนียจะทํางานอยู่ก็เห็นอยู่เดินไปกับทุกขณะให้เห็นอยู่อืนี่เรียกว่าการปฏิบัติธรรมเราจะไม่ได้เสียเวลาไม่พูดถึงหรอแม่พ่อผมไม่มีเวลาเลยจะทําภาวนานี้มันหน่ไม่หน่จะภาวนาเนาะมันวนายนะเราก็เห็นเป็นนั่นเสียอไอ้ที่สองพูดวายดังนี้สถานที่ที่ปฏิบัติ แต่ฐานอะไรมันมันร้อนอยู่ที่ไหนเนี่ยมันเย็นอยู่ที่นั่นเราไม่รู้เรื่องเันถ้าเห็นว่ามันร้อนเกิดขึ้นมันก็มีแต่ร้อนไม่มีเย็นนะไอ้ความเป็นจิงมันยุ่งอยู่ที่ไหนมันสมบูรอยู่ที่นั่นถ้ามันผิดอยู่ที่ไหนมันก็ถูกอยู่ที่นั่นถ้ามันวุ่นวายอยู่ที่ไหนสงกไปอยู่ที่นั่นอมันอยู่ที่นั่นดูดสิเอาสิถ้าหากว่าโยมทําอะไรที่มันผิดอยู่ตรงนั้นโยมไปแก้ตรงไหน เอาอย่างอย่างยางรถมอเตอร์ไซค์นี่ะเนี่ยมันเสียตรงนี้ตรงนี้มันเสียยังจะไปแก้ตรงไหนเน่นะนะตรงใจที่ตรง น, นเสียแ <c oughs> ตรงที่มันเสียเนี่ยมันจะดขึ้นที่ตรงนั้นเท่านั้นเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่อื่นแตรงนั้น้ผิดอยู่ตรงไหนมันก็ถูกอยู่ตรงนั้นเนี่ย ที่นี่เราประสบอารมที่น่าชอบใจตรงไหนเราก็ปฏิบัติตรงนั้นว่าเอออันนี้มันก็ไม่แน่ของันนะถุกเราเสุสมาแล้วทุกข์เุกมาหลายครั้งหลายหนแล้วก็เท่านี้ก็ไม่เป็นไรต่อไปอีกมิได้ e ุกข์เท่านั้นเนี่ยเน่ถ้าเราคิดไม่ถูกตะมีมักก็เป็นไปตามสภาพว่าอันนี้เรื่อยๆ ไ, ไปเี่ะนั่นมัดการภาวนาไม่เป็ น, น, นอกาลิโกเพราะว่า คนคนทุกๆคนเนียกว่าเข้าใจแบบการภาวนาจะ น, นึกว่าจะนั่งจะมาทิ้นั่งดับตาแล้วก็ภาวนามาแห่อะไรมาปวนก็นคิดว่าอย่างนั้นจะไป น, นั่งอยู่ในการงานมันก็นั่งอยู่ได้คืนึกว่าเราไม่มีโอกสาสไอ้ความจริงนีน่ไม่ใช่การนั่งเป็นนั้นภาวนาให้เรื่องทําจิตให้รูทุวกวิทยาบทนั่นตรงนั้นจงปฏิบัติ มเมื่อเขาด่าวอมอยู่ที่ไหนนั่นแหละที่ปฏิบัติีจีตตรงนั้นมเมื่อเ่าชั้นเฉลิมยอมที่ตรงไหนที่ตรงนั้นเนี่ยยอมจะดีใจไอ้ความดีใจนั้นแหละมันเป็นเจดีส่วนหนึ่งอีกไอ้ความเสียใจนั่นแหละมันเป็นเจดส่วนหนึ่งอีกยอมก็จะเห็นสิตรงนั้นเนี่ยตรงยมที่จะเห็นเนียจะได้รู้ทั่วถึงเนั่นคือตรงตรงที่ปฏิบัติตรงๆอืม เป็นผู้เห็นอันนี้โวมจะเห็นความจริงไม่ต้องไปอ่านตำดาไม่ต้องไปยึดมั่นตำดาอันนั้นมันเป็นความจำไมนจะเอาความจำมาพูดมันจะเอาความจำมาเล่นอืถ้าพุทธเจ้าต้องตั้งความจริงไอเห็นความจริงเช่นนี้อืไอความจริงเช่นนี้ท่นานบอกว่ามันมันอยู่ที่ตัวเราโอกภังยิโตอาจารน้องธรรมาทุกอย่างอืม น้องสมาเจตัวเราน้องสมาน้องสมามาเหตุอยู่ที่นี่อืมผูม้เหตุเป็นให้น้องมสมาถ้าไม่น้องสมามันไม่มีจักถ้าไม่น้องสมามันไม่รู้จักมันไม่เห็ น, นมันก็ให้โทษคนอื่นเรื่อยไปให้โทษคนนั้นคนนี้เรื่อยเรืยไปอืมอางว่าเรามีบุตรเนี่ยเรามู้บุตรนะ จเจ้าทอนเราไปคนโสดอยู่นะแล้วก็อยู่คนเดียวเท่านะั้นก็ว่าไม่สบายใจนึนึกเหมือมีแม่บ้านก็จะสบายนีย่ความคิดแต่แม่บ้านเนี่ยแม่บ้านก็ไม่สบายนานๆจะตื่นเกิดลูกก็มอีร้ายคน อ, อมันบุนบายเพราลูกกับเมียนี่แหละนะเรื่อว่าขอมันเลยไปอันนั้นมันไล่ไปว่าเพราะเมีทยทาแบบนี้มันบุญบาย เขาลูกทาไม่ดีมั น, ม, นมันถึงวุ่นวายเพราะอันนั้นเลย ง, งั้นเราก็อยู่สบายแล้วแล้วเราคิดอีกทีหนึ่งว่ามีอใครเอามาเขามีพ่อแม่อยู่ที่อื่นเนี่ยใครเอาเข้ามามเราไปเอามาเองลูกมีใครสร้างมันมาไม่ถึงวุ่นวายนะเนี่ยนั่นให้น้องมาโอ้มีลรกไปสร้างเต็มมาลูกเราก็สร้างเต็นมา บางทีเราก็ลืมไปใช่ว่าลูกมันวุ่นวายเป็นเหตุให้เราวุ่นวายเพราะลูกเป็นเหตุให้เราวุ่นวายเพราะเมียนะอันนี้มันไม่เห็นจต่ของในเลสิตแต่ของวายเราไม่มีโทษเลยลูกมันเป็นโทษเมียเป็นโทษเราก็ไม่ไม่ไม่เห็นอนความไม่จริงในเหตุมันเกิดจากเรานะเราไปมีเมียมาจากลูกมันประดิษฐ์ขึ้นมาล้วไปสร้างมันขึ้นมาต่อห า, าว่ามันเป็นทุกข์เพราะเมียนะเป็นทุกข์เพราะลูกใช่ไ้ย แต่ความจริงก็ถูกส่วนหนึ่งนะลูกเพฟังกันแต่ว่าถูกถูกอย่างผิดไม่ใช่ถูกอย่างถูกถ้ามันถูกอย่างถูกแล้วก็จะว่าเพราะเราเอามาสร้างึางมานี่ยรูปตัวเราสร้างขันเปนมาต่อพะเราตัวนี้เราเป็นเหตุอีกฉะนั้นรูปจากว่าเราราหตุอยู่ตรงจมเปียตรงนี้จมเปีตรงนี้เนี่ยจเียตรงโน้นจมเตรงนี้เมื่อ น, น้องก็มาเห็นอยู่ ทำไปนอกกา น, นอกหมดไ ป, ไปนหมือกะเพราะเนียเป็นทุกข์เพราะลูกเป็นทุกข์เนี่ยแต่มันนอบอกครั้งนี้พระพุทธเจ้าจึงจะอุปนายิกาให้น้องขึ้นมาน้องขึมาเพราะอันนั้นมันเป็นผล น, น้องก็เห็นเหตุเรานี่เองเป็นตัวการเราไปสร้างเป็นมาเป็นเหตุเราไปสร้างเป็นมาแล้วก็เป็นเหตุเราไม่รู้เรื่องเราก็อเรื่าเหียบอยู่ที่โน่น มันมันมันมันมันปกปิดความผิดว้ายเข้าปิด<ม>ตัวเข้าไปดึก้กต่อไปอีกยังไม่ค้นคว้าไม่เห็นเลยได้เปิดทะเลาะกับเมียเปิดทะเลาะกับลูกไปโน่น<ม>นี่เขาเห็นว่าโทษมันเกิดมาจากโน้นนั่นน่ะเป็นโลกมันยืน่งกว้างออกไปเรื่อยๆถ้าเรานอกนสนมาธิแล้วอ่ะพอเราจรางๆผิดรายต้องคืนมาเนี่ยไอความผิดอยู่ตรงไหนต้องแก้เราดีกว่า เย่ทำมาให้ตูปะฏาวาณทํามันเกิดเพราะเหตุนี้อืมันเหตุพ่อเราเป็นเหตุพอเรามันจึงมีเมียมีลูกนะถ้าเราเห็นเช่นนี้โอ้ทามันเกิดเพราะอันนี้ฉะนั้นเราจึงมาละกับเหตุนั้นเชียคือตัวของเราเนี้ยเราจําไว้มีขอพ่อเรานะนั่นขอเราถ้าเหตุที่ไม่มีผลต้องบอกมันมีสาเห ที่เมื่อธรรมะสังน้อมกลมาอย่างนี้เห็นอยู่ที่ตัวของเจ้าของไม่ไม่จะเห็นอยู่ข้างนอกมันเห็นอยู่ภางในในจิตของเจ้าของ จ, จริงไหมมันจะตามดูไปเรื่อยๆไปมันก็จริงทางนั้นไงถ้าหาว่ามันจริงเช่นนั้นจะทําไงล่ะเราก็ต้องปฏิบัติทำเพื่อการปล่อยวางสอนเมียกับสอนโพสมควรส อ, อนลูกกับสอนโพสมควรสอนในทุกขส่วนมา ให้มีความสงบเกิด ข, ข, ขึ้นมาจะว่าเป็นเพราเราแล้ว จ, จะปล่อยวางมันเลยทำไม่ได้ลูกเนี้ยต้องสอนมันต้องว่าให้มันให้มันเป็นคนดีขึ้นสอนมันเพราะอะไรให้ทั้งตั้งใจแล้วจึงสอนให้รู้ตัวแล้วจึงสอนเหมือนกับชางหม้อก็ตีหม้อตุอ้นั้นก็ตีหม้อทั้งทั้งแม่ทั้งลูกเขานกระทั่งวันตีหม้อขาย เพราะอาชีเขาเป็นไงตั้งหมอ้อตีกระชังวันเขาตีไให้มันแตกตีให้มันเป็นหมอ้อมีข้อมนตกันเราสอนดูสอนเมียเราไม่ใช่ราปล่อยมันหมดจำสอนมันแต่สอนต้องตั้งใจแล้ว mm. จะสอนเ่อจะสอนเมื่อไหร่เมื่อถึงไงตั้งหมอ้อหม้อมันตีหมอ้อทำไมตีเพื่ออะไรตีจะให้หม้อแตกหรือตีอจะตีให้มันเป็นหมอ้อคิดดูสักก่อนน มันมีเรื่องตื่นขึ้นมาบ่อเรียนเราจะสอนลูกสอนเดียร์เราคนลูกศิษย์ทางม่อเหมือนนั้นเราก็กามมานะกค่อยสอนมันก็ค่อยบอกมันถ้ามันไม่ตีมันจะไม่เป็นหมอ่อได้ตีอะไรม่อแตกอันนี้ว่าถ้าไม่สอนมันก็ไม่ได้อืสอนให้มันเกิดประโยชน์อย่าสอนให้มันเกิดโทษเราแล้วก็รู้จักอย่างนั้นเเรียกว่านะเร า, เราปฏิบัติธรรมะอยู่แล้วปัญหาไม่เป็นเช่ น, นั้นมันแก้ที่เราอย่างนี้น เนี่ยพอผู้ปฏิบัติทำจะต้องนึกอย่างนั้นจะต้องคิดอย่างนั้นคืออะไรยึดตัดช้องอะไรไหมถ้าหากว่ามีบุตรอยู่แล้วภรรยายอยู่แล้วแล้วก็บุตรและภรรยายนั้นยังมีความทุกข์อยู่แล้วก็ยังเมืดอยู่อืมแล้วก็ถ้าหากว่าบิดาหรือว่าหัวหน้าครอบตัวนี่ไปตัดช่องน้อยเฉพาะตัวนี่จะเสื่อมทุกข ตัดยังไงกับจำนวนวันหมายถงว่าทิ้งออกไปที่ไปอยู่ที่อื่นไปยังไปอุปสมบติชียวนะแล้วก็ไปประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่ที่ใรคนหนึ่งซึ่งมันอยู่ในบ้านนั้แล้วก็ครอบครัวก็ยังไม่เรียบร้อยพออันมี้จะเป็นโทษอันนี้เราคิดยังไงเราหวังยังไงท่เราจะออกไปงนี รักษาว่าต้องการอยากจะมาประพฤตปฏิบัติในธรรมแต่ที่เดียวโดยที่ภุกและภรรยานั่นก็ยังมีภาระอยู่ยังไม่เรียบร้อย อ, อย่างนี้จะให้โทษจบตนเองแนละ้วภิรยาให้กับภรรยากับภูชินอันนี้มันมีพันธะอะไรเนี่ยถ้าเราคิดเป็นป น, นูครับ ถาเราไม่โกรธถ้าเราไม่เกียดถ้าเรามีความมุ่งหวังอย่างพระพุทธเจ้าของเราอมารดาก็ไม่ซ้อมหยิบ ด, า ก, ดาก็ไม่ซ้อมภรรยาก็ไม่ไม่เห็นท้องทั้งหมดแต่พระพุทธเจ้าของเราทั้งไม่ไม่เป็นต ำ, นำเพราะท่านทนออนนาเหนือสิ่งทั้งหลายหยิบใจที่ท่ า, ทานจะออกไปนั่นน่ะท่านเหนือสิ่งทั้งหลายนลเมื่อการออกไปหรือการกระทาเช่นนี้ อมไม่ใช่ว่าท่านทําเพื่อไม่ให้เกิดประโยชน์ท่านทําเพื่อให้เกิดประโยชน์จะก็บกคุคหลทุกข์กุลตลอดพ่อแม่ลูกเมียทั้งหมดไม่ใช่ตัดท่องน้อยไใจเฉพาะตัวเมื่อความคิดของคนอย่างเนี้ยก็ต้องคิดถึงนั้นถ้าพระพุทธเจาท่านคิดอย่างนี้นมี อ, อนนมะอรคนอันนั้นท่านก็ไม่มีตามถ้าเราคิดเป็นมหาปุญญ์จริงๆนะเพื่อรู้อสัต พร อ, อนพร อ, อนตัดเพื่อทำได้กิจมนะณ์เพื่อแนะนำทาสอนประโยชน์ตนให้ชนได้สร้างประโยชน์ลูกเมียอะไรในทางธรรมะนะการประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องแล้วก็ไม่มีอะไรข้อโทษ ท, ที่จะเกิดขึ้นมาทีท่โกดขึ้มาเพรอเราลับขอามาเรื่องโลกเทีนทาวจเป็นธรรมดาของโลกเพราะความเห็นเช่นนีอ้อันนี้ยากคนที่จะต้องเห็นได้ที่นี่ ถ้าเราจะพูดเรื่องพาราของลูกเนียเมื่อแรมันจะจบมันจบตรงที่ตรงนั้นนอนดีแต่าพาราของลูกของเมียน่นนะเมื่อไร ม, มันจะจบเมื่อไรจะจบถ้าไม่มดกิเลนเนี่ยมันก็ไม่จบเหมือนกันที่คนสมัยโบราณกล่าวว่าเลี้ยงลูกไม่จบมันมันไอการงานในโลกมันจบที่ตรงไหน นองเจี๊ยบเนี่ยดูดิเรื่องของโลกมันจบตงไหนที่นันเจีองามันเป็นวาป่าเหมือนเนี่ยเหมือนเนี่นยเหมือนเหมือนปากระโทนแบเนี่ยถ้ า, าแลนมันวิ่งอยู่ตรงเนี่ยตลอดกานมันก็มกนไม่จบนะหลายชีวิตมันก็ไมจ่จบตลอดทุกทุกชีวิตมันไม่จบเพราะว่ามันตรงอย่างนี้เมื่อมันกรงเช่นเนี่ย มันก็มีภาราดติดต่อกันเรื่อยไปแต่ว่าทางมันไปเช่นเนี้ยมันก็กลมใช่ไมันไปตายแล้วแต่มันกลมมันจบไม่ได้เมื่อหากว่าแมลงไม้อที่มาตายตามขอบกระโทนเนี้ยนี่มันก็ไม่มีเวลาที่จะจบแต่ใจมันก็เรื่อง่ามันจะจบอยู่ไหมเนี่ยเจวะมันเห็นผิดไปแต่ว่ามันไม่จบแต่มันว่ามันคิดว่ามันจะจบเราคุยกันไม่เดินในวงกลมมันเนี่ย เรนึนว่าวันหนึ่งมันจะจบคนนึนว่าวันหนึ่งมันจะจบเรื่องเดินทางนี่มันไม่จบแต่มาเรื่องการาัฒนาวันไม่จบแล้วก็จะออกไปเมื่อพอสมควรแล้วก็ออกนี่อยู่จะเดินทางต้นให้จบไม่จบมันจะไปทของมันเนี่เหมือนท่านเรียกว่าเหมืนเหมือนวัวตะเกียร์แอกวางบนคอวางก่อนดันอปล้อเพียนมันสมุนไปดิ้ดิ้ดไป เมื่อวัวดันไปไม่หยุดล้อเพียนมันก็หมุนไม่หยุดเมื่อล้อเพียนมันหมุนไม่หยุดมันก็ทับรอยโคอยู่ตลอดเวลาไปแต่ว่าล้อเพียนมันไม่โตไม่นัดละมันเด็กตัวนี้แหละแต่มันกลมถ้าบัวดันมันไปเรื่อยๆไปลากกันไปมันก็ไม่จบแต่มันทําให้ยาวได้นะมันกลมล้อเพียนมันทําให้ยาวไปได้ยาวไปเรื่อยๆถ้าหากว่าเพียนมันก็ยังเด็กพังนะ คนขักก็ยังมีอยู doll, ่นะอืมบัวมันก็ยังมีอย uh uh ู่นะเมื่อไรมันจะจบมันก็ทางเตียนมันก็ทางก็ของเตียนมันก็ทางบัวมันก็พันกันไปเรื่อยประตักษ์ขึ้นกันไปเรื่อยรอกเตียนมันก็หมุนทักลอยโคไปเรื่อยไม่มีทางจบเนี่ยเมื่อไรมันจะจบอืมนะ เมื่อเอาแอกออกจากคอวัวแล้วนั่นเนี่ยรอบเพียนมันจะหยุดหมุนเมื่อรอบเพียนมันหยุดหมุนแล้วมันจะไม่ทักหอยโคอื้งหอยโคร ป, รปล่อยมันออกไปเจ้ของเพียนจะของโคคนนี้ออกไปคนได้ย่างอโง่ก็สบายใจมันมีลากรถเทียนไปอืเจ้าของเพียนเจ้าของวัวนั้นก็ไม่าําคาน ตอนนี้ไปไอ้ที่เปลี่ยนตรงนั้นมันก็หยุดอยู่นานไปนานไปนานไปมันจะไม่เป็นเพี่ยนนะมันจะเป็นดินมันจะเป็นธานมันจะพังตรงที่นั่นนั่นแหละชาเลือกกันจบอยู่ที่ตรงนั้นถ้าว่าอันนั้นให้จบก่อนอันนี้ให้จบก่อนไม่จบตบ อ, อืมรอบเปลีย น, น ย, ยังมีอยู่โค ย, งยนนังมีอยู่เจ้าของเปลียนยังมีอยู่จับประจาุขึ้นไปเรื่อย หาทางจบไม่ได้อือตาเอาแอะออกจากคอโคและพ อ, พอวาแล้วนั่นนะเย็นกว่าหยุดมุนเนี่ยอันนี้ตัวมันตานอันนี้เห็นไหมอือไอ้ความอยากนะไอ้ความอยากฟังมันอยากอะไรมันจะโตกับมันอยากมันอยากมันอยากอืมอ้าอย่างฟังกันว่ามันอยากมันอยากไม่หยุดจบมันไม่มีทางจบเลยอยาก อะไรโตักว่ามันตัณหาไม่มีอะไรมันมีอะไรจะโตัวกว่านี้อีกใหญ่เท่าไรไม่ใหญ่กว่าตัณหาอืนัาถิตัณหาสมานาทีแม่น้ําเต็มเมือด้วยตัณหาไม่มีนัาถิปัญญาสมาอาภาแจ้งแต่ว่างเต็มเมือดวยสัญญาไม่มีอืนัาถีตัณหาสมานาทีแม่น้ําเส็มเมือด้วยตัณหาไม่มี ม, มันเป็นสิ่งนี้ปัญญาสมาทาอืนแสงสว่างถือมือด้วยสัญญาไม่มีสองอย่างนี้มันฆ่ากันในตวัวมันจบบังคับให้จบในาน้ําทั้งหลายมันไมีเสอเมอด้วยกันหาตันหาเนี่ยมอยากด้วยใจหานยู่มาได้ไห้ฮะเออในรถอีกคันนี้มาแล้วพอจะพอแล้วมั้งนะ ก็หามาได้ก็เออดีใจมันก็ให้หาไปให้ยาไปอีกการหานี่ได้มาก็ตันไว้ตันมีไว้ก็หามาไปอีหานั่นได้มาดึงดืมันจะพอได้มามันก็ตานไปอีกมันตันเนี่ยก็หามาไปอีกอืมันตานเนี่ยก็หาไปตันเนี่ยก็หาไปเรื่อยเรื่อวัดตันหานัตสิกัญหา สมานาทีแม่น้ำถเสมอด้วยตัณ ห, หานม่มปัญญาสมาอาภาแสงสว่างถือมือด้วยปัญญาไม่มีสองอย่างมันเป็นคู่กันนะสร้างความสว่างขึ้นมันจริงผมทับความมืด ไ, ได้ถ้าความมืดเป็นแสงสว่างเนี่ยมันก็มีเนียกว่าตัณหาตีความอยากมันก็ไม่จบจบที่ตรงไหนมันมีทางที่จบถ้าปัญญาเราไม่รู้เห็นตามจริงจริงไดมันก็ไม่จบ เรื่องจบนี่ไม่มีจะหางาให้มันทำอันนั้นเน่มันเสร็จก่อนทำนี่มันเสร็จก่อนเรื่องการเสร็จในโลกมมนมีการงานการงานให้จบในโลกไม่มีทุกชีวิตไม่มีจบเรื่องมันจบเพราะมันเป็นวงกลมเหมือนรอกเพียนมันก็เลยไม่จบคงจะเป็นเงินมั้งสปคิดดูไปได้ เ, เดื่องแต่บ้าพอสมควรเนี่ยเช่ว่าหาหาจักรจบลมบัดมาที่นี่พอแล้ว ม, มันก็ไม่พออีกหาต่อไปอีก อ, อยากทานอาหารวันนี้เออเอาละพอแล้วใช <c oughs> เว่เดี๋ยวเดี๋ยวคงีมันก็หาหาอีก เมื่อทําอย่างนั้นมันเป็นมันก็เป็นบริษัทที่ไม่แน่นอนจะเป็นบริษัทปลอมก็ได้พุทธบริษัทนี้กเหมว่าตั้งฉันนั้นให้มันเป็นป ain, ป acer, um. พุทธบริษัทที่แท้จริงไม่ใช่เป็นพุทธบริษัทที่ปลอมขั้นเป็นพุทธบริษัทที่ปลอมมันก็เป็นบริษัทปลอมของปลอมของปลอมนั่นก็คือของไม่แน่นอนของไม่จริงจัง ถึงแม่ปฏิบัติก็เป็นที่ปฏิบัติปลอมเมื่อการปฏิบัติปลอมมันก็เป็นดิบัติมันไม่ใช่เป็นปฏิบัติถ้าเป็นที่ปฏิบัติปลอมมันก็ไม่นับเื่องในพุทธบริษัทที่เป็นบริษัทแท้ก็เป็นผู้ปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติดีอุุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติตรงยาญาปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อ พ้นจากความผิดจากบาปบาประทมทั้งหลายสามีคีปฏิปโนโก็เป็นผู้ปฏิบัติที่ถูกต้องตายก็ถูกต้องวาจาก็ถูกต้องจิตใจก็ถูกต้องทั้งหมดเป็นต้นขึ้นต่ออพุทธบริษัททั้งหลายเนี่ยก็เรานั้นเป็นสมาชิกขึ้นต่อองค์สมุดไตรมาสัมพุทธเจ้าที่เรียกว่าพุทธบริษัท เป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าถ้าเราเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องจากบริษัทของเราเราก็ต้องจากาพระพุทธเจ้าแล้ว น, น, นี้พระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนท่านเป็นอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เราก็ควรจะรู้จากาพระพุทธเจ้าคือใครแล้วพระธรรมคื อ, อ, อใครพระสงฆ์คือใครบัดนี้เราอยู่ห่างท่านหรือยังหรือยอยู่ใกล้ท่านโดยคิดแล้วเราก็ควรรู้จกัก ถ้าเรารู้จักพระพุทธเจ้าเราก็จะรู้จักคารมพระพุทธเจ้ารู้จักทาตามพระพุทธเจ้าถ้าเรารู้จักเจ้าชื่อของท่านเราก็จะชื่อของท่านมากราบมาไหว้เป็นต้นปรหวัยพระพุทธเจ้าที่พร้อมคือไหว้ไหว้เพื่อปรารถนาอยากจะให้มีอันนั้นอยากจะให้ได้อันนี้อย่างนั้นเป็นต้นเทวการไหว้ภายนอกไหว้เช่นนั้นไม่ใชการประพฤติปฏิบัติที่เนรนอน ดังนั้นถ้าเราถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราแล้วเราจะทำผิดเราจะทำดีจะทำชั่วเราจะทำอะไรคิดอะไรพูดอะไรทุกอย่างนะก็เสมอพระพุทธเจ้ามาันยืนเฉพาะหน้าของเรานนเนี่ยเหมือนพระพุทธเจ้าการเห็นเราอยู่มองเราอยู่ทุกขณะลมหายใจเข้าออกเมื่อพระพุทธเจ้ามาจ้องดูเราอยู่เราก็กรุราพระพุทธเจ้า ในใจดุจะร้ายในใจของเราจะทำใจให้สศอ้าหมองระคัวท่านลายต่อท่านรัวท่านอันนี้ต็มันตันเราเข้าถึงพระพุทธพระเจ้านักสอท่านแล้วนะเราก็จ ะ, จะต้องละไอสิ่งที่มันไม่เป็นประโยชน์ที่ในใจของเราเนี่ยทำแต่สิ่งที่มันเป็นประโยชน์พูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์คิดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์นเป็นต้นนี่เดียว่า พระพุทธเจ้าของเรายังมีอยู่พระพุทธเจ้าโดยนามมาธรรมพระพุทธเจ้ารดยรูปธรรมโดยวัตถุโดยรูปธรรมโดยวัตถุนั้นก็คือทิฏฐาจาจะจ์สุภ ม, มานบัดนี้ปริวติฉันนิพานไปแล้วต้นตน้นแท้ที่จริงพระพุทธเจ้าโดยนามมาธรรมนั้นซึ่งไม่ไม่ไปที่ไหนคือสัจยธรรมคือความจริงนี้มันก็ยังตั้งอยู่ในโลกเนี่ยไม่ไปที่ไหน ไม่แต่ไปที่ไหนอยู่ยังจะช่วยบุคคลอยู่ตั้งใจจะช่วยมนุษย์ทั้งหลายอยู่จะตั้งใจช่วยพวกพุทธบริษัททั้งหลายอยู่ตลอดเวลาอืไม่ไปที่ไหนยังปกปักรักษาคุ้มครองพวกท่านทั้งหลายพวกพุทธบริษัททั้งหลายอยู่ตลอดกาตรตลอดเวลาคือใครทําดีก็จะต้องได้ดีอยู่ทุกเมื่อทุกเวลาใครทําผิดมันก็ต้องผิดเยู่ตลอดเวลา ใครทำถูกมันก็ต้องถูกอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เป็นต้นจะไปทำอยู่คนเดียวก็ถูกถ้าเราทำถูกถ้าเราทำผิดจะไปทำอยู่คนเดียวมันก็ผิดอยู่จะไปทำอยู่มากคนด้วยตันทำถูกมันก็ถูกอยู่ทำผิดมันก็ผิดอยู่เป็นต้นคือจัดจะทำคือความจริงนั่นเองล่ะที่เรียกว่าพระพุทธเจ้าจะให้พิธาดาสกุมานเป็นพระพุทธเจ้าก็คือทำแบันี้จัดจะทำ คือทธรที่ถูกต้องเย็นท่านยังช่วยเราอยู่ถ้าทํากันยังช่วยเราอยู่ถ้าเราทําดีเป็นธรรมะมันก็ยังค้นโทษต่างๆก็เป็นธรรมะยังมีอยู่ตลอดกาตรตลอดเวลาถ้าใครไม่เข้าถึงพระพุทธเจ้าก็ไม่รู้จักพระพุทธอยู่ที่ไหนก็ทํารมนอย่างไรถ้าสงฆ์อยู่ที่ไหนเราก็ไม่ไดูเรื่องเราก็พูดแต่ ว, ว่า ฉันจะเสรินคุณของท่านอยู่เสมออระหังจำมาจำปโตสะวะคาโตสะวตาตโมสุปฏิปนูปักโตซาปะตังโตพูดไปเรื่อยถึงพุทธรัตนะพะธรรมพระพุทธธรรมพระสงฆ์แต่หารูปไม่ว่าพระพุทธอยู่ที่ไหนท่านเป็นอย่างไรพระธรรมอยู่ที่ไหนท่นเป็นอย่างไรพระสงฆ์นั่นอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรก็ไม่ดีจักก็ได้ยินดีว่าพระพุทธเจ้านั้นนี้ ถ้าทำงานฉันนี้นรพระสงค์นัานฉันนี้ควรกราบท่านไหว้ท่านก็เลยมากราบท่านโดยที่ไม่รู้เรื่องเฉยๆนกึกว่าจะก ร, ร, ราบพระพูดเแล้อก็จะเกิดบุญจะกราบพระธรรมแล้วก็จะเกิดบุญจะกราบพระสงฆ์แล้วก็เกิดบุญกราบวาระที่หนึ่งจะคืนนึกถึ ง, ถงถพระพุณเจ้ากราบวาระที่สองกับคนนี้คึงก็ทํารกราบวาระที่สามกับคนึี้คืพระสงฆ์เอาสามครั้งนั่นไวายท่านแต่ไม่รู้จักวัวนนีความหมายอย่างไร อันนี้การประพฤติแึบนั้นก็ไม่ใช่ว่าเป็นพุทธบริษัทแท้จริงมันเป็นพุทธบริษัทปลอมหน้าอาจะให้มันเป็นพุทธบริษัทที่สมบูรณ์พวกเราทรั้งหลายนั้นเราจะไม่ต้องไปนึกคิดอะไร ม, มากมายหรอกการประพฤติปฏิบัตินั้นนะดูในตัวของเรานี่เองดูกายของเราดูวาจาของเราดูใจของเรานี่แหละไม่ต้องไปดูที่ไหนหรอกว่ามันจะดีไหม ม, ไห ม, มันจะถูกไหมมันจะผิดไหมมันจะถูกไหมอะไรไหย ไม่ต้องไปถามข น, นโน้นขนนี้ให้มันลําบากนะถามในใจของเรานั่นแหละเมื่อความเห็นของเรามันถูดเป็นต้นใจมันก็คุณถ้าเอาจะเรียกว่ามันมืดใจมันขุณนะเมื่อสิ่งที่อาน้ํามันขุณนะเราจะไปมองดูเงาของเรามันก็ไม่เห็นลักลอบน้ำมันขุณใจเราที่มันขุณขึ้นมาไม่รู้เนี่ดูตัวเลยไม่รู้จากพ่อไม่รู้จากเม่ไม่รู้จากรูกไม่รู้จากล้าน ไม่รู้จักัวของตัวเลยนี่โดยใจมันขุ่นกเหมือนน้ํข้างนอกมันขุ่นไม่จะมองดูเงาในนะ้ำมันนั่นจะแสน้ำมันนั่นไม่สามารถที่จะมองเห็นเงาตัวของตัวในน้ํำได้นั่นแสดงไอ้ความขุ่นมัวของกิตลีลาพร ะ, ะด็ดีโทจะสรีโมหะกะด็ดีอย่างนั้นเป็นต้นถ้าเราถึงร พ, พระภพพระธรรมพระสงฆ์เป็นเพื่อนของเราแล้วนะมันจะคิดไม่ดีขึ้นมาก็จะเห็นว่าพระภพเจ้าอยู่ที่จะเพาะหน้าของเรานี้แล้ว ไม่กล้าจะคิดขึ้นยิ่งคิดขึ้นจะไม่กล้าจะทำถึงมันจะโกรธขึ้นมากๆเป็นต้นตัวรู้มันจะว่างพระพุทธเจ้าเนี่ยกมองเราอยู่ท่านรักษาเราอยู่ท่านตามรู้เราอยู่อย่างนี้เป็นต้นคล้ายๆกับเจ้าหน้าที่คนหนึ่งที่รักษาบ้านเมืองเหมนแม่เมื่อเข้ามาในบ้านเราเราก็ระวังไม่กลา้าไปทํามันนั้นไม่กลา่นนไลาไปทํามานี้นะเพราะอะไรเพราะสารัตใหญ่มันจ้องอยู่นั่นแหะ ไม่กล่าวเป็นขมูลในเวลานะก็ตัวอย่างนี้เรานี่สม่วนการให้เข้าใจว่าเราได้รู้ถึงพระพุทธก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีนั้นจะเหอนว่าเราจะยืนอยู่ก็ดีเราจะเดินอยู่ก็ดีเราจะนั่งอยู่ก็ดีเราจะนอนอยู่ก็ดีก็เสมือนว่าพระแนอะไรคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่งห้อมล้อมเราอยู่อื่เป็นอย่างนี้ทํำไมเราอยู่ามองเราอยู่อืม ถ้าเราทําดีมันก็ได้ดีถ้าเราทําชั่วมันก็ไดชั่วถ้าเรามีพระพุทธประธรรมประสง์สิ่งที่ซึ่งของเราอยู่อย่างนี้ก็เรียกว่าถ้าเราถึงพระพุทธประธรรมประสง์สิ่นที่ซึ่งเนี่ยพระพุทธอยู่ที่ไหนประธรรมอยู่ที่ไหนประสง์อยู่ที่ไหนพระพุทธก็คือธรรมะอันที่แท้จริงที่กัดเะธรรมมีพระพุทธผู้ไรถึงถึงพระธรรมเป็นตนคนนั้นจะใกล่พระพุทธ คนใดใกล้พระธรรมคนนั้นจะใส่พระพุทธคนใดใกล้พระธรรมคนนั้นจะใส่พระรงสงฆ์เพราะพระธรรมมันเป็นรากฐานอย่างแน่อนแฟ้นที่จะให้พุทธบริษัททางหลายประเภทธปฏิบัติอืเป็นต้นฉะนั้นผู้ทิงพระรัตนตรัยแล้วยังเป็นผู้สมบูรณ์บริบูรณ์เช่นเรารู้จักว่าพระพุทธเจ้าสอนหนไหม่ทาบาปอย่นี้เป็นต้นถึงแม้เรจะทาบา เมื mind, self, us, so ่อเราจะคิดจะทำบาปเราก็รู้ก่อนแล้วก็ไม่กล้าจะทาหรือทาก็ทำแต่น้อยทำเพื่อจะละไม่ทำเพื่อจะทำต่อไปคิดใจเราก็เป็นอยู่อย่างนั้นจะอยู่คนเดียวใจก็เป็นอย่างนั้นจะอยู่หลายคนก็เป็นอย่างนั้นจะอยู่ที่รับใจเราก็เป็นอย่างนั้นจะอยู่ที่แกงใจเราก็มันเป็นอย่างนั้นอยู่เรียกว่าพระพุทธอรุณรัตนใจนั่งคุ้มครองเราอยู่ทุกเวลานั่น ขอใเราทั้งหลายคิดอย่างนี้เนี่ยกยากนะใครจะเป็นพระพุทธใครจะเป็นญาติของพระพุทธพระธรรมประสงค์นี่มันก็ยากมันก็ลาบากเราจะเป็นพุทธบริษัทสมัครเป็นสมาชิกเป็นบริษัทของขึ้นตอ่อพุทธบริษัทคือบริษัทของพุทธเจ้าเนี่มันยากแต่เรามองเห็นยังไม่ใช่มันยากมันยังเราสกปรกยิ่งกว่าเราขึ้นต่อพระพุทธเจ้าหมดสกปรกโดยใช้ ใครกวาพุทธังก็เป็นใค้กวาดทำมังก็เป็นใค้กวาทั้งทังก็เป็นอใครแก่กราบก็เป็นไหว้ก็เป็นจะมะทานถิ่นกได้นั่งฟังธรรมก็เป็นไม่ใเหตุการ์เพียงเท่านี้เป็นพุทธบริจาคใน่ใ่เหตุการ์เท่านี้เลยกราบประพุทธกราบประธรรมกราบประสงไในใช่เหตุการ์ทนี้ที่ว่าจัดทางหลายฟังธรรมในบรรลุธรรมนั้นไม่ถึงเท่านี้ เท่าที่ฟังธรรมจะต้องเข้าใจในธรรมเมื่อเข้าใจในธรรมก็นำธรรมนั่นมาประพฤติปฏิบัติเป็นต้นจนจิตแล้วก็เป็นพันจนธรรมก็เข้าอยู่ในจิตจนจิตก็อยู่ในธรรมธรรมกับจิตดูปนซีกันเท่าเป็นอน็นเดียวกันอยู่สะสมก็เท่าเดียวกอนเดียวเป็นวิโคธรรมโมจิตก็เป็นธรรมธรรมมันก็เป็นจิตจิตมันเป็นอน็นเดียวกันแยกกันไม่ได้แต่แล้วเนี่ยนังนั่นเนี่ยพุทธบริษัทมันหายานกนะ รายจะมีพระราชนาสได้ไม่ให้สาวมองเนี่ยมันก็หายากในใจของมันยากไม่ใช่ว่าการเพียงทีดว่าเพ่งว่าจะท่านี้พอแล้วการโรกราบนี่พอแล้วการเราไหว่นี่ก็พออยู่แล้วการเราเข้าวัดเขาวานี่ก็พออยู่แล้วอย่าไปเข้าใจอย่างนั้นนะให้เข้าใจเพิ่มจนในสูง ก, กว่านัา้ น, นอีกการสวดนี่สวดแต่ทาไมการกราบกิกราบทําไม การภาวัดนีเข้าไปทําไมการตันธรรมฟังได้ทําไมเราจะต้องไปจี่เจนาด้วยการเจริญภาวนามันจะไปแจ้งโน่นไปแจ้งที่เราภาวนาเนี่ยมัแจ้งในการกราบก า, า, ารไหว้การะเนี้ยมันไปแจ้งอยู่การภาวนาการภาวนาก็พวกไงาการกระทำอรมันเกิดขึ้ น, ม, นมันมีขึ้นอะไรไม่สกิดขึ้นสิ่งที่มันเป็นบุญเป็นควรสนเราก็ทําอะไรมันเกิดขึ้น อะไรยังมันเกิดเป็นมาที่ยังไม่หมดไฟของไม่ดีนั่นม่ก่อทาให้ขึ้นไปให้มันหมดไฟเป็นต้นทําให้เกิดขึ้นให้มันมีขึ้นสิ่งที่ไม่มีให้มันมีขึ้นสิ่งที่น่าเสียใจขึ้นสิ่งที่เป็นบุญสิ่งที่เป็นกุศลสิ่งที่เป็นประโยชน์ตนและเป็นประโยชน์ตนอื่นนั้นไม่ก่อพยายามสะสมต้นอย่างนี้เป็นต้นอืขึ้นดันห่าวเออ เราเป็นพุทธบริษัทผู้ถึงบริษัทผู้ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงค์อยู่ไหมให้เป็นประโยชน์จริงๆนั่นน่ะท่านมีการห้ามหลายอย่างอการห้ามไม่ทําความผิดการเลี่ยงที่เราก็ดีการท่าทายเราก็ดีเรียนวิชาไมวิชาเยี่ยงจากการท่าทายไม่ตอบคำท่าทายมนุษย์ท้าทายยาพิษท้าทายตัวลาท่าทายสารเสพติดเพื่อเรี่ยงที่ของเราอย่างนี้ มันไม่ใช่เป็นค่าขายของพุธบริษัทอย่างนี้ยังไม่สมบูรณ์เป็นต้อนนอกอื่นองการอยู่การกินอยู่ปัจจุบันนี้กระือนการเ ด, ด, ดิดนต้นอยูท่านว่าม่ให้ทานไม่ให้บริโภคอะไรเนื้อหมาก็ใหไม่ให้บริโภคเนื้อเสือไม่ให้บริโภคเนื้องูแปรบริโภคนะไม่ให้บริโภคเนื้อมนุษย์ไม่ให้บริโภคเนื้อนี้ไม่ให้บริโภคเนื้อเสือไม่ให้บริโภคเนื้อทำไมถึงเป็นอย่า ง, งานั้นอืม มนุษย์เราไม่จงเหนือกษัตร์ทั้งหลายนะอืมันเหนือกษัตรนนิย์ทั้งหลายถ้าใครทานเนื่อทั้งหลายเแบบนี้เจ้ามองบันพระโพธิธรรมมาเห็นหน้าพรนะพุทธเจ้าเนี่อสมัยโบราณเนี่ยกลัวมากสม่หายเรียนวิชาอาคมนะไม่ไม่ไมขันวางสังคีตอย่างอย่างนี้เป็นต้ั่วกันสมัยก่อนนะแต่ความเป็นจริงอันนี้ก็เพื่อปรับปบรุงตัวเราให้เป็นพุทธบริษัทที่แท้จริงอนนี้ สถาบันสัตว์แท้ๆมันหายากมันน้อยอย่างมนุษย์เนี่ยอยครูบาอาจารย์ท่านสอนอาอุปชาท่านสอนนาศท่านเออ ด, ดีแล้วท่านเป็นคนที่มีโชคมีบุญหลายซึ่งเธอได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่มันหายากนี่ยากหนักยาก น, กนานเกิดมาเป็นสัตว์เดรัจฉานมันง่ายเกิดเป็นมนุษย์เี่มันยากเราก็มาคิดว่าเออมนุษย์มันคจอยากทําไม บางครั้งเกิดมาทีละสองคนคนนี้ทุกวันมัเกิดมากที่สุดจนเขาปั่นไยแล้วเอาเอาคนเอาสองคนแต่นี่จะติดตายตายน ะ, นะถ้าก่านโทดว่ามนุษย์มันเกิอดอยากมันต้องมาแย่งกับความเห็นของเหลัป็นยากทำไมมนุษย์ในนี้มันจะอัดแย่ในเมืองไทยใ น, ในใทะเลทำไมมนุษย์มันเกิอดอยากอันนี้มันขาดมนุษย์อันนี้มันเกลียดมนุษย์ อย่างในป่าอะไรนะไม้มันเยอะใบแฝกไม้ที่ใช้ประโยชน์ไมได้มันมากอไม้ที่มันใช้ไปโดยโยดใส่มันน้อยท่านพูดถึงส่วนมากส่วนที่เป็นประโยชน์ไม้ทุกสิ่งสารพัดมันมีทั้งนั้นแหละแต่มันต้องใช่นั่เหมือนกันกับปัญญาของคนปัญญาคนปัญญาคนชาตคนเห็นผิดในปัญญามันมาก จะพูดวิธีอะไรการเบียบเบียกนการวางแนวการลบวางหลักการทุกข์จั ง, งเ ย, เยงเียดเบียนเสียสิ้นสุหนึ่งดีเสริมัญญามันมากแต่พอพูดถึงเจ้าแผ่นดินนีเสรนอกแผ่นวาก็ั่งมันเถอะคนอ่งน้นคนพานน่ปัญญามันมากมันก็มากเสียปัญญาสามหรอกไม่เสีปัญญาดีนะเหมือนต้นม้เนี่ยแหละในป่านนเนี่ยยึดไปไม้ในป่ามันก็มากมากกว่าสั่งมันเถอะมากจนไม้ติด้ไม่ประโยชน์ ไม้ที่ใช้เลยประโยชน์จะนีกีโต้นในวัดต้องฝึกฝนนี้ผลไม้ในป่ามันมากผลตังมันเยอะมากผลไม้ที่มันบริโภคไปได้นี่นมันก็เหมือนจำแหงีน ะ, ะเปิดมาโรคต้นไม้เข า, าเปล่าเปิดมาโรกแทนดินเขา้าปเปล่านะั้นเป็นต้นเยถ้า ค, คิดอย่างนั้นถ้าพูดแล้วในต้นไม้ในป่านนมันก็หาเลยยากอืมันหาได้ยากคือต้นไม้ที่มันเป็นยาคือเป็นไม้ที่มันดี ทำติดทำการงานดาราบานช่องอะไดเรียก้อดีมันน้อยแต่เปนไม้เามันเยอะหมือนมากมักกวตามันเยอะแต่มากก่าไม้ก็ไม่ดีเนาะอย่างโจรเป็นเป็นปัญญามันมากดจะเจ้ามอาจันท์เนาะแต่กมากกวาช่างมันเยอะหมมากกวาปัญญาซามมเปปัญญาดีเนาะ่นในป่ามันมากมากประชางมันเยอะม้จะน้ำดระอยู่ได้นะแล้วก็จัดมันไฟ้ก็เผาบันแถ่นั้นเนาะม่ไไปทาบ้านทาช่องห มนุษย์แถวนี้ต้องมันกันผันั้นมนุษย์เกิดมาก็หาเลยยากถ้าไม่ก็มนุษย์มันมากเนี่ยมนุษย์ทำไมมันมากแมันยากเนี่มันมาไปเจอวานิสามนุษย์แกนมนุษย์มันหาเลยยากทั้งหมนี้หรอกแกรู้จักแกนมนุษย์ไหมถ้าเป็นมนุษย์ที่แท้ๆอยู่ด้ยกันอย่างนี้อะไรมันแย่งกันใยทะเลาะกันอยู่ด้วยกันสบายที่เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในจิตหากันในพยาบาทกัน เือมนุษย์มันมีสิ่งห้าประการโดยสมบูรณ์นี่เทียกว่ามนุษย์ที่แอ้บ้านผู้เมืองเนี่ยมันจะมีกิ่คนมนุษย์อบ้านต่อเนี่ยปะเทศไทยอะไรนี่ละมันจะมีมนุษย์กี่คนมนุษย์มันมีสิ่งห้ามันไม่ถี่สมบูรณ์บริบูร่์เต้อยนี่ฉะนั้นโลกเรามันเป็นช่องในความดีเสมอละมีความเย็นบ้างความแดดร้อนบ้างแต่เพอะไรเพราะว่ามนุษย์มันนอน ไม่ใช่ว่ามนุษย์มันมีเแต่ามีเสบ่ามันน้อยอืมเนต้นแต่มันน้อยมนุษย์มันเกิดยากใครจะนารักษาสิ่งห้าอะไรไหมทุกคนไม่มันต้องต้องหาอะไรยากทำมันได้ยากอย่างนั้นจป็นนคนรักษาสิ่งได้ยากสมบัติของมนุษย์มันก็น้อยเมื่อสมบัติของมนุษย์มันน้อยคนที่เกิดเป็นมนุษย์มีสิ่งห้าบริวูนี่มันก็น้อยอืมอย่างนั้นจะไหมเกิดมามันหายากถ้าเราเกิดมาอยู่ข้างอื่ เก็มาสร้าหนึ่งแล้วต่อไปมันก็ต้องเกิดใหม่เกิดใหม่ให้เป็นในที่สมบูรณเนี่ยอย่างนั้นมันมีที่นอันนี้ะะเราแสเรหาพิเศษนะทางพูดอย่างนี้คำพระเดสีเหมือนกันประโยชนเช่นกันของเระทำไมวิถีนานี่นะมาแสดงหาี่เิดอยากจะออกจากความโรภความโสดความหลงอยากจะออกจากบาปกรรมทางร้ายทาง้ายได้เหมนะเพื่อพยายามถึงเงินพระกัน สักสั่นจูงมาออกจากตรอบครัวคารวะออกจากมาปจากตกรมนั่นก็เห็นอยู่แต่ว่าอิชันยังยังมีโตระอยู่ยังยุ่งว้ายังไม่เสด็จอะไรยังไม่เดียร์น้อยให้อิชันหมดสุระจะพร อ, อิฉันจะมาอิชราอะไรมันจะหมดแล้วลูกคนนี้โตแล้วลูกคนนี้มันต่อไปตัวไปไนั่นอีกละลูลกคนมันเกิดมันโตแล้วคนจ่อยก็เกิดมะมาลกูกเกิดท้องเกิดไม เสร็จแล้วมันก็โตรึมาแล้วนะเยอถ้าไปแกงานถ้าให้มันเสร็จสักถ้าไม่แจกงานให้มันไม่ไม่เสร็จเรื่องมันหลอกไปแจกงานให้มันใช่ลูก้าวที่เสพยาที่มีพายแจกงาน้มันรู้เรื่องรอดมันก็จเรื่องนันยิ่งมันเรื่องยี่งมันมากไปแจกงานมันก็ยิ่งยิ่งมากเก่าอีกนะจะทงให้มันเป็นครูใคือป็นเกษตรกรใชมันจบหมดเรื่องเพราะมันจะช่วยตัวของมันได้นั่นจะยิ่งแลกอยู่ ปูวมันก็เป็นสูมียามันก็เป็นสูลูกมันเกิดมาไม่มีใครเรี้ยงนะเราต้องอุตส่าห์อุ้มไปให้ปู่ให้ย่าให้ตาให้ย า, ายเราเลี้ยงนะไม่มีใครจะเลี้ยงให้เขาก็ไม่ได้ทา ง, งานนะรพอแมเปห้พ่อแม่ไป ท, ทา ง, งานอะ่าจะไม่เอาให้เขาก็ไหนใครทำ ง, งานอืมนั่นเป็นจีบอย่นะนะลูกเกิดมาแล้วก้มีหลาน หลานมาโตเป็นนังจะแต่งงานกัน้วจะให้มันเก็ดเรื่องมันใจใจ ย, ยิ่งเรื่องมันมากทัวร์ะอะไรมันจบแล้มันไม่จบอย่างนี้มันจะยุ่งแค่ไหนอ๋อข้าไปทัวร์จะแก่จะไม่ทำอะไรบนะังทีเขาเอาลาสดๆมาให้จะให้ยายๆทำตัวก์ทำัวร์จะทำอะไรเนี่ยจะทุกข์หม้อปลาทำไมเนี่ยจะหัดขาโกเพรนั่นเนี่ยเนี่ยจะทุกอะไรจัๆงๆให้ยายทำไม แ้่จะมีสิ่งจะทำกันเนี่โอ้ยเจ็บปวดไม่ทำก็ม่มีัครจะทาให้หลานมันเืืเดเลยไก่งอนเลี่ยเยตัวแล้วก็เีืยดลูกเดือดหลานเดือดเดืออะไรมันทุกหมดทุกอย่างแล้ว อ, อย่างนี้แหละที่เรือ่องมันไม่จบเราก็ควรที่จะพิารณาเอาคนจะได้สร้างใจมีสิ่งห้าสมบูรณบริบูรณ์นี้มันจะมีสี่งคน ถ้ามนไม่มีเสียคนคนมันก็นอยภายในในส่งน้อยแต่มันเสีนษแต่ยากเออเป็นนษแต่ยากอืมอืี่นุษิดมบนมันเสียยยากไม่ใช่ว่ามันตายแต่มันเกิดกิดใช่เรี่องน้ถ้ามันเกิดเป็นนษยตส่หนี้มันเกิดยากเน่เกนี้้องให้มีสิ้นห้าบริบูรณ์ต้เป็นมนุษสมบูรบริบูรณ์ภายในจะดีไหมดีไหมมีใครสม่วยกันไม่ใครแย่งกันไม่ให้มีอะไรกันตรงนั้นเนี่ยมันะงบตรงนั้น แต่มันี้แต่ไม่รู้ว่ามันคิดคอมันคิดบาปไปเรย น, นีัน้นยอยากจะอาบาปที่ี่นั่นเป็นห่วงผูกพอยนะถ้าสอนไม่ถูกถ้าสอนบ้าถ้าไปทำโทษถ้าจะทาดีๆทางนั้นกเก น, น, นี่ยจะกลัวกลัวความดีกลัวความดีเนี่ยนะอยากที่น้องมาหาแต่มาเอ๊ะอเ เ, เ, อเลยตั้พอแล้วล่ะ อ, อ, อีกก่อนเถอะอีกสักทีคนให้รู้ันโตจะ น, นี้อย่างเงี้ยคนโตนมาเงี้ยเรื่กาเรื่องคล้องมันได้แล้ว ลูกมันโตแล้วนะครับลูกมันเข้ามาอกเนาะจะจ้างงานให้มันมันจะมีลูกคนลูกมันก็เป็นหลานเราเนาะการเป็นกระเรียนทางพ่อทางแม่ทางลูกทางหลานทางโคตเทื่อมันหมดในวันจะหยุดดอกทะเลกัดหินใจโรคนี้มันมีจบอย่งนี้พวกเราทั้งหลายนั่นต้องพักันคิดดีๆให้ภาวนาดีๆก่อนจะรู้เรื่องมันให้มันจบมันจะจบกับถ้ามันงงก็ได้เออจะก่อนเธอที่จะเข้าไปวัด อันนี้คือความใคร่ใจสิท um ั้งคน้นคนเมืองคนแก่ๆดีนะคนผู้ชายคนแก่ๆดีนะเก็บจิตบาทดีๆนะให้คนแก่รุ่นเดินด้วยกิจการคูเมืองมันถึงวันก่ออะไรนะทาไมไอ้ฟันที่จเชื่อใครเนี้ยมันก็ยังไม่ได้แต่ละไม่งมีอะไรจะดีเดินขึ้นแต่ปวดแต่ละนั่งลงเลยโอ้ยลุกขึ้นแต่โอ้ยไม่โ้ยดูโอ้ยําไมาณนะมันดี นะก็นตไม่็บายร้อนก็นสบายทุกอย่างทุกอย่างดีอืมนี่คือนั้งยดปทำงานสอรรมานนี้ก็เรียกว่าการมาทำอย่างนี้ให้มันรู้ให้มันเปนีนี่ความหมายที่เรามาบวชล้วจะพ้นจากอาสวะทั้งหลายเหล่านี้จึงมาบวช ันจะยืนในจะเร่ในจะนั่งในจะนานจนตน้จนจะจะกรทิ้งกระาดผ่านหัวรู้เห็นารเป็นจรอ่ไอ้การิดจะนจะรู้จะเห็นจะเนนั้นก็เว่านีอุปรกรณ์มันที่พูดมานี้เลยแต่ถ้าจะเป็นทำานจะทำงานดีกว่าจะบา ย, ย, า ย, า ย, ยาีสยัง ม, ม, มันมันปูดง่ายแต่เมื่อไปทำงานมันยากมีควายมักมีผ้ามักมีไถมั่ง มีโตบ้บังมีจอบบงังสารพัดอย่างเท่านั้นแหละเราจะพูดโดยทําทํานาสบายดีเท่านี้นเม่ได้พูดอ่านเมื่อไปทําจริงมันวุ่นวายเตือนีมันมีเครื่องอุปกรณ์ทุกประการนี้่จะมัน ท, ำทำนนําทํางานเมืม่อเราจะบปวดทุกทําให้มันเจปวดทุกจะมีเครื่องอุปกรณ์สื่อถนงสนี้ที่ข้อปฏิบับติระละควนทั่วละความผิดใจทางวิจะทุกประกา้ ที่พูดมันกันว่ามราจะถอนถอนไอผักจะมันจะสวยมันจะงามจะถอนหญ้ามันออกเยอะแล้วผักกเขาจะมีโอซานใหญ่ขึ้นโตขึ้นเด็ดใสขึ้นสวยงามขึ้นเพราะไอหญ้าออกจากมันถอนของไม่ดีออกจากมันแล้วมันก็เริญขึ้นจิตใจกา ย, ายวาจาอะไรนี่ต่อกันถ้าเราถอนกองทั่วออกแล้วตนต้นความดี ม, มันก็จะเริญขึ้นภูมิจะสูงขึ้น จะนต่อตอนนี้จะการสร้งใจจากกรรมฐานซึ่งหินหินแตตะานี้ไปประพฤปฏิบัติสัวรสังววยสร้งใจะโตะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตะกั่วตะวัโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นักโมทัศก์เวทุอรัหาทุตั้มมาตัมปุถักรขุทังเปรนังขัตถานิอัมมางเปรนังขัตถานิยังทังเปรนังขัตถานิ สุขียัมปีพุทธังเทระนังสัตสานิสยัมปีทามังเทระังสัายัมปีจังพังเทรังสัา Kak siampi y putang kak amang kak kerana petani, kak siampi y amang kerana petani, kak siampi y cangkang kerana petani, kerana taman mangkisi tang. ทานาตาทวีรักมีสิทธิ์ผัสพังศิยานิท่านาคตาวีรักมีสิทาิ์ผัสพังศิยานิ ข้ามจั t ทร์ยาเวรักม์าัาีุาิัมาัมาน วิรามิเรยาตมะสัมมาทัศนาวิรามิสิกาปังสมปญิกวิสาลกูตนะวิรามิสิกาปัจจังสัมปิ Makcik kita wah kita itu katakan nak makan tak ye? Tidak karena mandak naiku danatana di seramani kita patang t i n i Jaya namaha, jaya nahi, ramani sista padhang sama tiama, imani apa sahabat ani, irena suka diganti, irena b u k a sempat. Bila nadi diganti, kesemar a i i rancu g tak b e r